ตรงนี้นะมีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญระดับโลกแล้วก็ส่งผลถึงชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อาจจะไม่ใช่เวลานี้ทีเดียวนักนะแต่ว่าก็ในอนาคตทั้งหน้าแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นั่นคือการประชุมของสหประชาชาติเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อน เขามีชื่อย่อๆว่าคอป2 8จัดมาทุกปีแล้วปีหน้าคงจะจัดอีก mm. แล้ก็มีผู้แทนจากประเทศต่งตางๆทั่วโลกเกือบ200ประเทศนะมาประชุมเพื่อหาทางบรรเทาปัญหาโรคร้อนหรือที่เขาเรียกเป็นทางการว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าโรคร้อน ว่าตอนนี้มันอุณหภูมิมันสูงขึ้นเรื่อยๆที่สูงขึ้นก็เพราะว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับเป็นผนังของเรือนกระจกนะที่อยู่บนบรรยากาศคอยเก็บกักความร้อนความร้อนนี่ก็มาจากโลกนะ ซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เนี่ยมันพอตกมาถึงพื้นโลกเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยพอตกมาถึงพื้นโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็กลายเป็นความร้อนและความร้อนส่วนหนึ่งก็สะท้อนกลับไปสู่บรรยากาศแต่ว่าเลนส์กระจกเนี่ยหรือกา๊าซเซิรนกระจกนี่มันไปมันไปกั้นเอาไว้ไม่ให้สะท้อนสู่บรรยากาศ มากเกินไปก็เลยโลกก็เลยมีสภาพเหมือนกับอยู่ในห้องอบนะหรืออยู่ในเรือนกระจกก็คือร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันระดับโลกเลยนะที่ปารีสแล้วก็ตกลงกันว่าจะต้องหาทางทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงไม่เกินหนึ่งจุห้าองศา ในปี2030นะก็คืออีก 6-7 ปีข้างหน้าไม่ให้เกิน 1.5 าองศานี่หมายคะว่าเมื่อเทียบกับสองปีที่แล้วนะรวมมาสองปีที่แล้วนี่มันยังไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็เลยมีการใช้พลังงานน้ำมันแล้วก็เลยมี การึ่งกระจกออกมามากโดยว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาน้ำมันเผาถ่านหินแต่ว่าเป้าเนี่ยคือ 1.5 องศาไม่ให้เกินไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเมื่อเทียบกับ200ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็ 1.2 งองศาหนึงศาเข้าไปแลลวเราก็มีโอกาสที่จะถึง 1.5 ก่อนปี2030 ยิ่งันนั้นคือว่าเขาคาดวันเนี่ยภายในปี 2,100 เนี่ยนี่คือสกราดนะอีก70ปีข้างหน้าเนี่ยบุณหภูมิโลกจะสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ3องศาถ้าไม่ทำอะไรเลยนั่นก็หมายความว่าโลกนี้มันก็จะวิกฤตนะเรียวกว่ากลายเป็นนรกบนดินเลยสำหรับมนุษย์นะแล้วก็สำหรับสัตว์อีกมากมายเพราะว่าจะเกิดน้าท่วม เกิดฝนแรงเกิดขึ้นความร้อนเกิดโรคระบาดเกิดปัญหาต่างๆตามมาเขาก็เลยประชุมกันนะทุกปีทุกปีแต่ว่ายังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่ประชุมว่าไทยำไงเนี่ยจะลดการเผาผลานเชื้อเพลิงที่ทำด้วยที่เป็นน้ำมันหรือถ่านหินทำไงเราถึงจะใช้พลังงานทดแทน พลังงานธรรมชาติมาทดแทนเช่นโซลา่าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแต่ตอนนี้มีประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากนะคือว่าปัญหาที่เกิดจากการผลิตอาหารเพราะว่ากเกษตรกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมันเป็นตัวการทำให้เกิดการสองกระจกทั้งคาร์บานดออกไซด์และโดยพอมีเทนเนี่ย เกือบหนึ่งในสามเลยนะของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้การทำกรเกษตรกรรมโดยเพราะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยและนี่รวมไปถึงการแปรรูปอาหารนี่นะแปรรูปอาหารรวมไปถึงการบริโภคอาหารในครัวเรือนเขารวมๆกันแล้วเนี่ยนะ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งในการผลิตและการบริโภคและการขนส่งอาหารการแปรรูปอาหารนี่สูงมากเลยนะโดยเพราะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพราะว่าเลี้ยงสัตว์นี่มันต้องถางป่าถางป่าก็ต้องเผาป่าเกิดก้างคาร์บอนไดออกไซด์และป่าที่เคยมีซึ่งเคยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็หายไปนอกจากนั้นเนี่ยนะ ยังต้องใช้พื้นที่ในการปลูกอาหารสัตว์ได้อาหารสัตว์มาแล้วนี่ก็ต้องมาแปลรูปนะเพื่อให้สัตว์กินได้และให้มีเนื้อที่มีคุณภาพการนี้เขาคิดสระตาแล้วเนี่ยเรื่องการผลิดอาหารเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากและยิ่งกว่านั้นคือมันเกิดความสูญเปล่า เกิดความสูญปล่าง่ายที่ว่าอาหารที่ผลิตได้เนี่ยมันถูกทิ้งตั้งแต่อยู่ในไร่นาแล้วเก็บเกี่ยวไม่หมดตกหล่นหรือว่าอาหารไม่สวยเช่นผลไม้นี่นะมะเขือเทศมะม่วงเนี่ยไม่สวยก็ทิ้งปลูกตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นเลยแหละนะเพราะว่าพอไม่สวยก็ขายยาก เพราะว่าเนี่ยอาหารที่ถูกทิ้งเนี่ยตั้งแต่ในไร่นานะจกนกระทั่งมาถึงช่วงที่ตกหล่นระหว่างการขนส่งรวมทั้งที่ถูกทิ้งหรือสูญเสียไปในระหว่างที่มีการแปลรูปแปลรูปอาหารรวมทั้งพอมาถึงบ้านพอมาถึงศูนย์การค้าก็ถูกทิ้งเพราะขายไม่หมดและที่ซื้อเข้าบ้านใส่ตู้เย็นก็กินไม่หมดก็ทิ้ง พวกนี้เนี่ยมากถึงหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ในโลกโอ้โหมหาศาลนะแล้วนึกถึงคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเนะี่ยมีไปหลายร้อยล้านคนเนี่ยแต่ว่าเรากับทิ้งอาหารจำนวนมหาศาลแล้วถ้าคิดเป็นแลคิดถึงพลังงานที่ใช้ในการผลิตอาหารที่ถูกทิ้ง ตั้งแต่ในไรนาจนมาถึงที่บ้านนี่โอเ้เขาว่ามันพลังงานที่ใช้นี่มันก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจงนี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะก็เยอะมากไนงะมีหนังซ้ำอาหารที่ถูกทิ้งนี่กลายเป็นขยะมันก็ปล่อยก๊าซมีเทนหรือว่าสร้างมลภาวะเข้าไปอีก เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะเพราะว่าเราทุกคนก็กินอาหารบางทีเราก็ผลิตอาหารด้วยเราก็เป็นชาวนาวชาวไร่ดนั้นถ้าเกิดว่าคนในโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารเช่นกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะกินผักให้มากขึ้นหรือว่ากินอาหารแล้วเนี่ยมีของเสียน้อยลงเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหา ของโลกได้เลยทีเดียวนะลดมลภาวะลดปัญหาขยะแล้วก็ลดการศูนย์เปล่าทางด้านทรัพยากรแล้วก็ทําให้ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะตระหนักนะเราจะมองแต่ปัญหาในบ้านของเราในที่ทํา ง, งานของเราหรือแม้แต่ในประเทศของเรายังไม่พอมันต้องมองไปถึงทั้งโลก เราก็มากลับมาแก้ที่ตัวเรารวนที่การกลับมาแก้ที่การ บ, บริโภคอาหารของเราปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานของเรารถยนต์เป็นต้นอย่างนี้ก็ใช้รถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วหลายประเทศนี้ก็ประกาศแล้วนะจะเลิกผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ํามันภายในไม่กี่ปีข้างหน้าในยุโรปเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยต่อไปรถที่ผลิต รถที่ขับขึ้นในน้ำมันนี่ก็คงจะมีน้อยลงนะเราหันมาใช้รถที่ขับขึ้นด้วยไฟฟ้ากันมากขึ้นมันก็จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้บ้างนะไม่มากนะักแต่ก็ยังดีรวมทั้งการบริโภคอาหารด้วยเราต้องตระหนักนะว่าอาหารที่เรากินนี่มันก่อปัญหากับโลกอย่างไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องจ่ายเงิน สิ้นเปลืองินของเรานะแต่มันสามารถจะไปก่อผลกระทบให้กับชีวิตอื่นหรือก่อผลกระทบให้กับสภาพของโลกนะในวันข้างหน้าได้เรื่องนี้ต้องคิดกันและต้องรู้จักต้องเข้าใจต้องเรียนรู้ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นหลังนะซึ่งก็คือลูกหลานของเราเอง